Book 2หนึ่งรอยสตูมคำวิเศษพระสโลวีเคยยังไม่เคยคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Вы u ж già qualche s'ebbi lì a b e r l i ไม่ยังไม่เคยเลยครับ не я j a ż н ę к о л k ใครไม่มีใคร k т о н i б b у т ь н i k т о คุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ Вы кого-нибудь тут ведаете ไม่ ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับอีกนิดอีกไม่นานคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ Я больщ тут не застануся อะไรอีกไม่อีกแล้ว Я ще крыху, больше н і ч о г а คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม х о ч е ц е я ще крыху выпить ไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ Не, я больщ н і ч о г а не х а ч у อะไรบ้างแล้วยังไม่เลยคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับมีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้ว Кто-нибудь ещё? Никто больше. มีใครอยากรับกาแฟอีกไหม Кто-нибудь ещё хочет кофе? ไม่ไม่มีใครอีกแล้วครับ Не, больше никто. กรุณาไปที่